พุทธศาสนาที่พวกเราให้ความเคารพให้ความนับถือให้ความเลื่อมใสให้ความศรัทธาความเชื่ออันมีส่วนประกอบหรือองค์ประกอบที่สำคัญอยู่สามองค์ประกอบด้วยกัน คือหมีพระพุทธเจ้าสองมีพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าและส ม, มีพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้านี่คือองค์ประกอบที่แท้จริงของพระพุทธศาสนาถ้าพวกเราอยากจะดูว่าพระพุทธศาสนาอยู่ที่ตรงไหน ขอให้ดูที่ตรงที่องค์ประกอบที่สําคัญสามองค์ประกอบนี้คือดูว่ามีพระพุทธเจ้าหรือเปล่ามีพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าหรือเปล่ามีพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าหรือเปล่าถ้ามีก็ถือว่ามีพระพุทธศาสนา อย่าไปดูส่วนประกอบที่ไม่ได้เป็นองค์ประกอบสำคัญของพระพุทธศาสนาก็คือวัดว า, ารามโบจดีกุติสาลาส่วนส่วนเหล่านี้ไม่ได้เป็นองค์ประกอบไม่ได้เป็นพระพุทธศาสนา ถ้ามีโบสถ์มีเจดีย์มีศาลามีวัดมีวามีอารามต่างๆแต่ถ้าไม่มีพระธรรมคำสอนไม่มีพระพุทธเจ้าไม่มีพระอริยสงฆ์สาวกก็เป็นเหมือนกับผลไม้ที่มีแต่เปลือกไม่มีเนื้อทารบอลวัตถุต่างๆนี่ เป็นองค์ประกอบของพระพุทธศาสนาเป็นเปลือกของพระพุทธศาสนาไม่ได้เป็นเนื้อของพระพุทธศาสนาการเข้าหาพระพุทธศาสนารเราควรเข้าหาเนื้อของพระพุทธศาสนาเพราะเนื้อของพระพุทธศาสนาที่จะให้ประโยชน์กับเราที่จะให้ความสุขกับเราที่จะให้การหลุดพ้น จากความทุกข์กับเราส่วนวัดวาอารามโบสถ์เจดีสารากุฏิถ่าวราวัตถุต่างๆหรือแม้แต่วัตถุมงคลต่างๆเช่นพระพุทธรูปก็ไม่ได้เป็นเนื้อหาเนื้อแท้ของพระพุทธศาสนา เป็นเพยงส่วนประกอบมีก็ได้ไม่มีก็ได้เพราะเราไม่สามารถรับประโยชน์จากศาลากุฏิจากวัดวาอารามได้ไม่สามารถดับความทุกข์ของเราได้จากโบสถ์จากเจดีย์จากกุฏิจากศาลาต่างๆเราจะ ดับความทุกข์ต่างๆได้จากพระพุทธเจ้าจากพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าและจากพระอริยสงสาวกของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเราจึงต้องศึกษาให้เข้าใจอย่างท่องแท้ไม่ฉะนั้นแล้วเราจะหลงทางกันได้หลงไปสร้างเปลือกกัน แทนที่จะมาสร้างเนื้อของพระพุทธศาสนาเราจะมาสร้างเปลือกกันเช่นเดี๋ยวนี้เรามีความเจริญก้าวหน้าทางทาวรวัตถุกันมากมีวัดกันเป็นจำนวนมากมีโบสถ์มีเจดีย์มีศาลามีคุติแต่เรามีพระพุทธ พระเจ้ามีพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามีพระอริยสงสาวุกอยู่ในวัดเรานั้นหรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่เราควรที่จะพิจารณากันพระพุทธเจ้าถึงแม้ว่าจะจากพวกเราไปแล้วก็ตามแต่พระองค์ก็ได้ทรงตัดไว้ก่อนที่จะจากพวกเราไปว่า พระองค์ยังอยู่กับพวกเราต่อไปอยู่ในรูปแบบของพระธรรมคำสอนนี่เองถ้ายังมีการสั่งสอนมีการศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ก็จะแสดงว่าเรายังมีพระพุทธเจ้าที่คอยสั่งสอนคอยให้ความรู้กับเราอยู่ผ่านทางพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า แล้วก็เรายังมีพระอริยสงสาวกกันอยู่คือมีผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีผู้บรรลุมรรคผลนิพพานบรรลุพระอริยบุคคลขั้นต่างๆพระอริยสงสาวกนี้ต้องเป็นพระที่ได้บรรลุพระอริยบุคคลขั้นต่างๆ คือพระโสดาบันพระสกิดาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์ถึงจะถือว่าเป็นพระอริยสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าพระที่เป็นพระภิกษุนี้ยังไม่ได้เป็นพระอริยสงฆ์สาวกพระภิกษุคือผู้ที่มีศรัทธา ในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้บวชกันได้กนศีษะได้นุ่งเหลืองห่มเหลืองได้รักษาศีลได้ศึกษาและได้ปฏิบัติจนกว่าจะได้บรรลุพระาอาริยบุคคลขั้นต่างๆ จึงจะได้เป็นพระอาริยสงสาวกถ้าบวชเพียงแต่บวชทางร่างกายคือโกนศรีรษะนุ่งเหลืองห่มเหลืองแต่ไม่สนใจกับการรักษาศีลไม่สนใจกับการศึกษาพระธรรมคําสอนไม่สนใจกับการปฏิบัติตามพระธรรมคําสอน ก็จะไม่ได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆไม่ได้เป็นพระอริยสงสารของพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นองค์ประกอบไม่ได้เป็นเนื้อเป็นหนังของพระพุทธศาสนาไม่ได้เป็นเนื้อนาบุญของผู้มีจิตศรัทธาเขารบเลื่อมใสนี่คือสิ่งที่เรา ควรที่จะดูกันมองกันเพื่อแล้วเราจะได้รู้ว่าพระพุทธศาสนาของพวกเรานี้ยังอยู่ในสภาพไหนอยู่อยู่ในสภาพที่เจริญหรืออยู่ในสภาพที่เสื่อมลงไปเราต้องดูที่การศึกษาการปฏิบัติพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ดูที่จำนวนของผู้ที่ได้บรรลุผลที่เกิดจากการปฏิบัติคือบรรลุเป็นพระอริยบุคคลขั้นต่างๆนี่คือความเจริญของพระพุทธศาสนาอยู่ที่การศึกษาพระธรรมคำสอนอยู่ที่การปฏิบัติ ตามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าและอยู่ที่การบรรลุผลที่เกิดจากการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเมื่อมีการบรรลมุมรรคผลนิพพานแล้วก็จะมีผู้ที่รู้จริงเห็นจริงที่จะนำเอามรรคผลนิพพานมาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้ที่ยังไม่รู้ต่อไป ถ้ามีการศึกษามากมีการปฏิบัติธรรมมากมีการบรรลุธรรมมากมีการเผยแผ่ธรรมมากก็จะมีความเจริญมากของพระพุทธศาสนาไม่ใช่เจริญด้วยทาวรรวัตถุถ้ามีโบสถ์มากมีเจดีย์มากมีศาลามากมีกุฏิมาก มีวัดวาอารามมากมีถาวาวัตถุต่างๆมากมีวัตถุมงคลมากอันนี้เป็นการเจริญเปลือกเจริญของเปลือกของพระพุทธศาสนาไม่ใช่เป็นการเจริญของเนื้อของพระพุทธศาสนาการเจริญของเปลือกพระพุทธศาสนานี้ไม่ได้ให้ประโยชน์แก่ผู้ที่ เข้าหาพระพุทธศาสนาผู้ที่จะได้รับประโยชน์จากพระพุทธศาสนาจะต้องเข้าหาเนื้อของพระพุทธศาสนาถึงจะได้รับประโยชน์คือได้พ้นจากความทุกข์ต่างๆได้ความสุขของพระนิพพานอยู่ที่เนื้อของพระพุทธศาสนา ดังนั้นขอให้พวกเราจงทำความเข้าใจให้ถูกต้องเพื่อจะได้ไม่หลงทางกันพอเดี๋ยวนี้ถ้าเราสังเกตดูกันเราจะเห็นว่าจะไปทางเบื่อของพระพุทธศาสนากันมากกว่าการที่จะไป ในทางของเนื้อของพระพุทธศาสนาจะมีการร่วมทาบุญกันมากในเรื่องของการสร้างวัดว า, ารามต่างๆสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์สร้างถาโขวัตถุต่างๆแต่จะมีน้อยมากสาหรับการเข้าหาพระธรรมคำสอนเข้าศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า แล้วน้อมนำเอาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้ศึกษานไปปฏิบัติเพื่อให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานให้ได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดให้ได้บรรลุถึงพระนิพพานกันเราจึงมีแต่เปลือกศาสนานี้มีน้อย เนื้อของศาสนานี้มีน้อยมากต่างจากสมัยพระพุทธการสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระพุทธศาสนานั้นเป็นยุคของความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาเพราะมีการเผยแผ่สั่งสอนมีการศึกษาพระธรรมคำสอนมีการปฏิบัติมีการบรรลุมรรคผลนิพพาน มีพระ อ, อริยะบุคคลมากเต็มไปหมดเดินไปทางไหนก็เจอแต่พระ อ, อริยะบุคคลแต่ถาวรและวัตถุนั้นแทบจะไม่มีเลยพระที่อยู่ในยุคสมัยพระพุทธกาลนี่ท่านอยู่ตามป่าตามเขากันเป็นส่วนใหญ่อยู่ตามโคนไม้อยู่ตามเรือนร้าง อยู่ตามเงื่อมผาอยู่ตามถ้ำอยู่ตามป่าชา้าเพราสถานที่เหล่านี้เป็นสถานที่เอื้อเฟื้อต่อการบําเพ็ญต่อการปฏิบัติต่อการบรรลุมรรคผลนิพพานนั่นเองแต่ต่อมาก็มีผู้มีศรัทธาเห็นมีเห็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบกัน เป็นพระ อ, อริยสงสาวกกันก็อยากจะให้ท่านอยู่อย่างสุขอย่างสบายก็เลยมีการสร้างถาวรวัตถุต่างๆขึ้นมาพอพวกที่มาบวชที่หลังพอได้พบกับถาวรวัตถุได้อยู่อย่างสุขอย่างสบายก็เลยไม่ค่อยได้ให้ความสาคัญต่อการศึกษา ต่อการปฏิบัติไม่ได้ไปปลีกวิเวกไปทุดงตามป่าตามเขากันอยู่ในอยู่ในวัดอยู่ในกุติอยู่ในที่สุขที่สบายการปฏิบัติก็เลยไม่เจริญคืบหน้าเท่าที่ควรการบรรลุมากผลนิพพานก็เลย ไม่ได้มีมากเท่าที่ควรเหมือนกับในยุคแรกๆเนี่ยที่ไม่มีถาวรวัตถุทุกคนบวชแล้วก็มุ่งไปอยู่ตามป่าตามเขากันเพื่อจะได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพื่อจะได้บรรลุมรรคผลนิพพานกันได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดกัน ได้พบกับความสุขของพระนิพพานกันที่เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงเหนือกว่าความสุขทางร่างกายทางร่างกายอาจจะอยู่อย่างทุกข์ยากลําบากอยู่อย่างอดอยากขาดแคลนแต่จิตใจนี้กลับมีความสุขมากกว่าร่างกายที่อยู่อย่างมีความสุข สมบูรณ์ด้วยปัจจัยสี่แต่จิตใจกับไม่มีความสุขเพราะไม่ได้รับการดูแลรักษาไม่ได้รับการสร้างความสุขทางจิตใจกันจิตใจก็เลยไม่ได้หลุดพ้นจากความทุกข์เพราะติดอยู่กับความสุขทางร่างกายกัน ผู้ที่ปรารถนาการหลุดพ้นจากความทุกข์ทางด้านจิตใจปรารถนาการพบกับพระนิพพานพบกับความสุขของพระนิพพานที่เป็นความสุขสูญย่อสุขสุขสุดยอดเหนือกว่าความสุขทั้งปวงนั้นจำเป็นที่จะต้องสละความสุขทางร่างกายไปเพื่อไปสร้างความสุขทางจิตใจ อ้ายังติดอยู่กับความสุขทางร่างกายก็จะไม่สามารถที่จะไปสร้างความสุขทางจิตใจได้ความสุขทางร่างกายกับความสุขทางจิตใจนี้เหมือนไปคนละทิศคนละทางกันนั่นเองถ้าอยากจะได้ความสุขทางร่างกายก็จะไม่ได้ความสุขทางจิตใจถ้าอยากจะได้ความสุขทางจิตใจ ก็ต้องละความสุขทางร่างกายไปผู้ที่ออกบวดนี่เป็นผู้ที่ต้องการละความสุขทางร่างกายเพื่อที่จะได้สร้างความสุขทางจิตใจอยู่แบบสมถะเรียบง่ายอยู่แบบพออยู่พอเป็นพอไปทางร่างกายร่างกายพอพ อ, อยู่ได้ไม่เป็น ภาละกฎดันหรือหน่วงเหลียวการสร้างความสุขทางจิตใจก็ใช้ได้เนี่ยพระพุทธเจ้าสอนให้นักบวชนี้อยู่แบบมักน้อยสันโดษให้มีความสุขทางร่างกายเพียงแต่เพื่อให้มันอยู่ได้ก็พอเช่นอาหารก็สอนให้ ฉันมือเดียวแล้วก็ฉันในบาตรไม่ต้องไปแยกอาหารต่างๆเพราะอาหารต่างๆที่รับประทานเดี๋ยวก็ต้องลงไปรวมกันในท้องไม่ต้องไปแยกเป็นจานเป็นสำรับมีอาหารอะไรก็เอาใส่เข้าไปในบาตรแล้วก็ฉันไปตามมีตามเกิดฉันเพื่อดับความหิว ไม่ได้ฉันเพื่อสร้างความสุขจากการฉันอาหารฉันเพื่อดับความหิวความต้องการของร่างกายฉันเหมือนกับฉันยาถึงเวลาก็ฉันฉันตามปริมาณที่ร่างกายต้องการร่างกายต้องการอาหารเพียงวันละหนึ่งมือ้อเท่านั้นก็พอแล้วร่างกายไม่เดือดร้อนแล้วถ้าได้รับอาหารหนึ่งมือ้อ ร่างกายก็จะอยู่ได้จะไม่เจ็บไข้ได้ป่วยจะไม่ตายนี่คือการอยู่แบบของผู้ที่ต้องการความสุขทางจิตใจต้องอย่าเสียเวลาให้มากไปกับการาดูแลรักษาร่างกายเสื้อผ้าเครื่องุ่กห่มก็ ให้มีเพียงหนึ่งชุดก็พอมีผ้าไตรหนึ่งหนึ่งสำรับหนึ่งชุดสามผืนคือผ้านุ่งหนึ่งผืนผ้าห่มหนึ่งผืนแล้วก็ผ้าห่มกันหนาวอีกหนึ่งผืนเป็นสามผืนเรียกว่าผ้าไตรให้อยู่ให้มีแค่นี้ก็พอส่วนที่อยู่อาศัยก็ให้อยู่ตามคนไม้ ถ้าไม่มีกุติอยู่ไม่มีที่พักอาศัยอยู่ก็ให้อยู่ตามโคนไม้อยู่ตามเงื้อมผาอยู่ตามถ้ำอยู่ตามสถานที่ที่สงบที่ห่างไกลจากเสียงอึกทึกครึกโคมห่างไกลจากแสงสีเสียงต่างๆที่จะรบกวนการปฏิบัติการบรรลุธรรม ให้ไปอยู่ที่สงบสงัดวิเวกตามป่าเขาลำนาวไพรที่เป็นที่เอื้อเฟื้อต่อการบรรลุมรรคผล น, ผนิพพานนี่คือเรื่องของพระพุทธศาสนาของพวกเราที่พวกเรามาเข้าหาเพื่อมาพึ่งพระพุทธศาสนากันเพราะพวกเรานี้มีความทุกข์ใจกัน มีความไม่สบายใจกันถึงแม้เราจะมีความสุขทางร่างกายกันมีทรัพ์สมบัติมีข้าวของเงินทองมากมายแต่ความสุขที่เราได้ผ่านทางร่างกายนี้เราก็เห็นว่ามันเป็นความสุขชั่วคราวได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็จางหายไปพอจางหายไปความสุขที่เราได้ก็จางหายไป เราก็ต้องไปหามาใหม่หามาได้มากน้อยเพียงไรมันก็จางหายไปจางหายไปหมดไปไม่ได้มีอะไรอยู่ติดกับใจไปได้นานเลยอยู่ได้เดี๋ยวเดียวแล้วเดี๋ยวก็ผ่านไปใจเราก็เลยยังต้องพบกับความทุกข์อยู่เรื่อยๆทุกครั้งที่ความสุขทางร่างกายหมดไป ความทุกข์ทางทางร่างกายความทุกข์ทางใจก็กลับเข้ามาใหม่เพอาะร่างกายไม่สามารถารักษาความสุขทางร่างกายได้แล้วยิ่งถ้าร่างกายไม่สามารถที่จะหามาได้เช่นในช่วงที่แก่ที่เจ็บไข้ได้ป่วยหรือที่ตายความสุข ทางร่างกายก็จะไม่มีก็จะมีแต่ความทุกข์ทางใจเพราะไม่ได้มีเวลาไปหาความสุขทางใจกันเมื่อแต่หาความสุขทางร่างกายกันพอไม่สามารถหาความสุขทางร่างกายได้พอความทุกข์ทางใจโผล่ขึ้นมาก็ไม่สามารถที่จะกาจัดมันได้เพราะไม่ได้ศึกษาวิธีที่จะกาจัด ความทุกข์ทางใจไม่เลยศึกษาวิธีสร้างความสุขทางใจกันญาติโยมจึงต้องเข้าหาพระพุทธศาสนากันเพราะเชื่อในคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าจะสามารถทำให้ใจนี้มีความสุขได้สามารถดับความทุกข์ต่างๆที่เกิดขึ้นมาในใจได้ จังเข้ามาศึกษาเพื่อมาฟังวิธีการสร้างความสุขทางจิตใจมาสร้างมาดับความทุกข์ทางทางจิตใจด้วยการหยุดหรือลดการหาความสุขทางร่างกายลงไปเพราะว่าการหาความสุขทางร่างกายนี่แหละที่เป็นเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์ทางใจขึ้นมา พความสุขทางร่างกายนี้เป็นความสุขชั่วคราวพอความสุขทางร่างกายหายไปความทุกข์ทางใจก็จะปรากฏขึ้นมาถ้าเราไม่หาความสุขทางร่างกายเรามาหาความสุขทางใจเวลาเราไม่มีความสุขทางร่างกายเราก็จะไม่ทุกข์กับความความความไม่มีความสุขทางร่างกาย เพาเรารู้จักวิธีสร้างความสุขทางใจขึ้นมารู้จักวิธีดับความทุกข์ทางใจนี่คือความสําคัญของความสุขทางใจของความทุกข์ทางใจนี้เป็นความสุขเป็นความทุกข์ที่มีอิทธิพลมีน้ําหนักมากกว่าความสุข ความทุกข์ทางร่างกายถ้าเป็นความสุขความทุกข์ที <rainbow surge> ่ยืนยาวนานกว่าเป็นความสุขความทุกข์ที่ถาวรความสุขความทุกข์ทางร่างกายนี้เป็นความสุขความทุกข์ชั่วคราวร่างกายตายไปความสุขความทุกข์ทางร่างกายก็หมดไปแต拜拜่ความสุขความทุกข์ทางใจยังอยู่ต่อ อยู่ที่รู้จักวิธีสร้างความสุขทางใจหรือเปล่าอยู่ที่รู้จักวิธีดับความทุกข์ทางใจหรือเปล่าถ้ารู้จักวิธีสร้างความสุขทางใจรู้จักวิธีดับความทุกข์ทางใจเวลาที่ไม่ได้มีร่างกายหรือว่ามีร่างกายแต่ไม่ได้ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขใจก็สามารถมีความสุขทางใจได้ มีได้ตลอดเวลาทั้งในขณะที่มีร่างกายและในขณะที่ไม่มีร่างกายคือเวลาที่ร่างกายตายไปแล้วหรือเวลาที่ร่างกายไม่สามารถหาความสุขได้เช่นเวลาชราภาพหรือเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยแต่ใจก็ยังสามารถหาความสุขได้มีความสุขได้ นี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการที่เราเข้าหาพระพุทธศาสนาเราจะได้เรียนรู้วิธีหาความสุขทางใจวิธีดับความทุกข์ทางใจถ้าเรารู้จักวิธีหาความสุขและดับความทุกข์ทางใจแล้วเราก็ไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขให้กับพวกเรา พราการใช้ร่างกายหาความสุกนี้มันจะต้องจบด้วยความทุกข์เสมอเวลาที่ความสุขทางร่างกายหมดไปความทุกข์ก็จะโผล่ขึ้นมาทุกครั้งไปนั้นการหาความสุขทางร่างกายจึงเป็นการหาความสุขเป็นหาเป็นการหาความทุกข์มากกว่าให้เรามาหาความสุขทางใจ เพราะจะเป็นการดับความทุกข์ทางใจหรือจะพูดอีกมุมกลับก็คือให้เรามาดับความทุกข์ทางใจกันแล้วเราจะได้พบกับความสุขทางใจที่เป็นความสุขที่ถาวรที่เป็นความสุขที่พระพุทธเจ้าและพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายได้รับกันก็คือความสุขของพระนิพพานนี่ความสุขของพระนินขขพพานนี้ก็คือความสุขทางใจ ที่เกิดจากการดับความทุกข์ทางใจให้หมดไปพอดับความทุกข์ทางใจหมดใจก็จะเหลือแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวแล้วก็เป็นความสุขที่ถาวรเป็นความสุขที่ไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันหมดไม่เหมือนกับความสุขทางร่างกายที่เราได้กันมาแล้ ว, ลวเดี๋ยวมันก็หมดไปหายไป การเข้าหาพระพุทธศาสนาจึงควรเข้าหาที่เนื้อของพระพุทธศาสนาเหมือนกับเวลาที่เรากินผลไม้เราก็ปอกเปลือกทิ้งไปแล้วเราก็กินเนื้อของผลไม้การเข้าหาพระพุทธศาสนาก็เช่นเดียวกันเราควรเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กันอย่าเข้าหาโบสถ์เข้าหาเจดีย์ ถึงแม้จะสร้างให้สวยงามขนาดไหนก็ตามบอเจดีศาลาหรือกุฏินี้จะไม่สามารถดับความทุกข์ทางใจได้จะไม่สามารถสร้างความสุขทางใจได้นอกจากเป็นเครื่องมือสนับสนุนในการสร้างความสุขทางใจในการดับความทุกข์ทางใจเช่นมีกุฏิมีที่อยู่อาศัย ไว้สำหรับหลบแดดหลบฝนเพื่อปฏิบัติธรรมศาลาวิหารกุฏิต่างๆก็มีประโยชน์ในทางนี้มีศาลาก็จะได้มีที่แสดงธรรมมีที่ฟังเทศฟังธรรมกันมีที่ศึกษามีที่เผยแผ่พระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้ามีที่ปฏิบัติธรรมกันแต่ที่ปฏิบัติธรรมที่ดีกว่าศาลา กว่าโบยก็คือสถานที่สงบสงัดวิเวกการปฏิบัติธรรมนี้ต้องปฏิบัติตามลำพังต้องอยู่คนเดียวอยู่ในที่สงบสงัดวิเวกแต่เวลาศึกษาพราะธรรมคำสอนนี้สามารถมาศึกษาพร้อมๆกันได้หลายๆคนรวมกันเพราอการแสดงจะได้จะได้ไม่ต้องเสียเวลามาก ถ้าต้องสอนทีละคนนี่มันจะเสียเวลามากแต่ถ้ามาฟังเทศฟังธรรมกันพร้อมๆกันเเช่นในขณะ น, นี้มีผู้ที่มาฟังกันเป็นจํานวนมากทั้งที่อยู่ที่นี่และที่ติดตามอยู่ทางบ้านผ่านทางการถ่ายทอดสดเนี่ยการฟังธรรมนี่เราก็ต้องมีสถานที่ไว้ฟังกันมีโบสถ์มีศาลาก็ได้หรือมีร่มไม้ อย่างที่เรานั่งอยู่ภายใต้ร่มไม้กันที่ไหนก็ได้ที่สามารถทําให้เรานั่งและฟังธรรมได้ก็ถือว่าเป็นที่เป็นศาลาได้เป็นโบสถ์ได้ไม่จาเป็นจะต้องเป็นรูปแบบแบบที่มีอยู่กันขอให้เราเป็นให้เป็นที่ที่เรามารวมกันมานั่งฟังเทศฟังธรรมกันได้ก็พอ พอหลังจากที่เราได้ฟังเทศฟังธรรมกันแล้วรู้แล้วว่าเราควรจะต้องทำอะไรเราก็แยกกันไปปฏิบัติตามที่ต่างๆกันไปหาที่สงบสงบวิเวกอยู่ตามลำพังกันเพราะการสร้างความสุขทางใจการดับความทุกข์ทางใจนี้จะต้องทำใจให้สงบนั่นเองทำใจให้สงบแล้วก็รักษา ความสงบนั้นให้อยู่ต่อไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดก็จําเป็นที่จะต้องมีการควบคุมจิตใจคอยควบคุมไม่ให้ใจคิดถึงเรื่องราวต่างๆเพราะความคิดนี่แหละที่ทําให้ใจไม่สงบทําให้ใจวุน่นวายทำให้ใจทุกข์ได้ถ้าคิดไปในทางความอยากต่างๆ ถ้าคิดแล้วอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ใจก็จะเริ่มทุกข์ขึ้นมาทันทีใจที่สงบก็จะกลายเป็นใจที่กวลกังวายกระสับกระส่ายหรือเป็นใจที่เศร้าซ้อยหงอยเหงาขึ้นมาเพราะความอยากถ้าไม่คิดความอยากก็จะเกิดขึ้นมาไม่ได้ถ้าใจไม่คิดถึงเรื่องต่างๆที่จะทำให้เกิดความอยาก ใจก็จะสงบใจก็จะเย็นจะสบายจะมีความสุขแล้วถ้านั่งเฉยๆนั่งหลับตาใจก็จะสามารถเข้าสู่ความสงบได้เต็มที่ได้ความสงบได้ความสุขเต็มที่ถ้ายังไม่นั่งเฉยๆถ้ายังเดินยังทําอะไรอยู่แต่ควบคุมความคิดอยู่ใจก็จะว่างจะสงบในระดับหนึ่งแต่ยังไม่ สงบได้อย่างเต็มที่ถ้าแต่ถ้านั่งเฉยๆแล้วใจจะสงบได้เต็มที่จะได้พบความสุขแบบของพระนิพพานซึ่งเราจะเรียกว่าเป็นพระนิพพานชั่วคราวก็ได้ถ้าใจได้รวรวมเข้าสู่สมาธิเต็มรูปแบบที่เรียกว่าอัปปนาสมาธิอันนี้ก็เรียกว่าเป็นนิพพานชั่วคราว เป็นความสุขแบบเดียวกันที่เราจะได้รับจากพระนิพพานเพียงแต่ว่ามันเป็นความสุขชั่วคราวเพราะกิเลสตัณหาตัวที่ทําลายความสุขนั้นยังไม่ตายจากการนั่งสมาธิเพียงแต่ถูกกําลังของสติกดเอาไว้ทําให้กิเลสตัณหานี้ไม่สามารถทํางานได้ก็เลยเป็นเหมือนกับ พระ น, นิพพานเพราะนิเพราะว่าพระนิพานก็คือจิตที่ได้ทำลายกิเลสตัณหาไปหมดสิ้นแล้วไม่มีกิเลสตัณหาอยู่ในใจแล้วแต่สมาธินี้ยังมีกิเลสตัณหาอยู่เพียงแต่ว่ากิเลสตัณหาไม่สามารถทํางานได้ก็เหมือนกับไม่มีกิเลสตัณหาชั่วคราวก็เป็นพระนิพพานชั่วคราว พอออกจากสมาธิมาพอเริ่มคิดเริ่มเห็นอะไรเริ่มสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสกิเลสตัณหาก็จะออกมาทันทีเมื่อออกมาถ้าไม่รู้จักวิธีหยุดมันหรือกำจัดมันจิตก็จะเกิดความทุกข์เกิดความวุ่นวายใจขึ้นมาก็ต้องใช้สติหรือใช้ปัญญา จะใช้สติก็กดมันไว้เหมือนกับตอนที่นั่งอยู่ในสมาธิแต่ถ้าใช้ปัญญาก็จะสามารถถอนรากถอนโคนของกิเลสตัณหาทำลายกิเลสตัณหาให้หมดไปได้อย่างถาวรการที่จะทำใจให้สะอาดบริสุทธิ์เป็นนิพพานขึ้นมาได้จึงจำเป็นจะต้องใช้ปัญญา อสตินี้ไ ม, ม่สามารถที่จะทำลายกิเลสตัณหาอย่างถอนรากถอนโคนได้เพียงแต่กดมันไว้เหมือนกับหินทับหญ้าเวลาเอาหินไปทับหญ้าไวหญ้าก็ไม่สามารถงอกขึ้นมาได้แต่พอยกหินออกไปเดี๋ยวหญ้าก็จะงอกขึ้นมาใหม่เพราะรากยังไม่ได้ถูกถอนออกจากดินนั่นเองถ้าอยากจะให ญ้านี้ตายไปอย่างถาวถก็ต้องถอนรากถอนโคนของญ้าออกจากดินไปให้หมดนพอญ้าถูกถอนรากโคนของญ้าถูกถอนออกจากดินไปหมดย้ามันก็ตายหมดมันก็จะไม่สามารถงอกเงยขึ้นมาได้ต่อไปกิเลสตัณหาก็เหมือนกับรากก็เหมือนกับญ้าถ้ายังไม่ได้ถอนรากเง้าของกิเลสตัณหา กิเลสตัณหามันก็ยังจะไม่ตายเช่นใช้สติควบคุมใจหยุดให้หยุดคิดก็จะหยุดกิเลสตัณหาได้แต่พอถอนออกมาปล่อยให้ใจคิดเดี๋ยวกิเลสตัณหาก็จะโผล่ขึ้นมาใหม่ถ้าอยากจะให้กิเลสตัณหาตายก็ต้องถอนรากโคนของกิเลสตัณหารากโคนของกิเลสตัณหาก็คือความหลงหรือความไม่รู้นั่นเอง ความไม่รู้ว่ากําลังสร้างความทุกข์ให้กับใจการทําตามความโลภทําตามความอยากต่างๆนี้ไม่ได้เป็นการสร้างความสุขให้กับใจแต่เป็นการสร้างความทุกข์ให้กับใจนี่คือสิ่งที่ผู้ปฏิบัติผู้ที่เจริญปัญญาต้องพิจารณาให้เห็นว่าการทําตามความโลภตามความอยากนี้นําไปสู่ความทุกข์าะ ความสุขที่ได้จากการทําตามความโลภทําตามความอยากเป็นความสุขชั่วคราวนั่นเองเช่นอยากดูอะไรพอได้ดูก็เกิดความสุขขึ้นมาแต่พอไม่ได้ดูแล้วความสุขนั้นก็หายไปแล้วความทุกข์ก็จะตามมาต่อไปเพราะไม่มีอะไรให้ดูอันนี้ต้องพิจารณาให้เห็นด้วยปัญญาว่าการทําตามความอยาก ทำตามความโลภนี้เป็นการสร้างความทุกข์ไม่ใช่เป็นการสร้างความสุขเป็นการสร้างการเกิดแก่เจ็บตายการเวียนว่ายตายเกิดเพราะถ้ายังมีความอยากดูอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผดถพะก็จำเป็นจะต้องมีตาหูจมูกลิ้นกายเมื่อตาหูจมูกลิ้นกายที่มีอยู่ในปัจจุบันมันหมดสภาพไปคือร่างกายนี้ตายไป ใจที่ยังมีความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะะอยู่ก็จะถูกความอยากนี้ดึงให้ไปหาร่างกายอันใหม่ให้ไปเกิดได้ไปรับร่างกายอันใหม่พอได้รับร่างกายอันใหม่ก็ต้องมาทุกขกับการเลี้ยงดูร่างกายทุกขกับการแก่การเจ็บการตายของร่างกายอันใหม่ต่อไปนี่คือการเจริญปัญญา ความรู้ความจริงที่จะมาแก้ความหลงที่ไปคิดว่าการทำตามความโลภทำตามความอยากต่างๆนั้นเป็นการหาความสุขแต่มันเป็นความสุขปลอมเท่านั้นเองเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขเดียวๆแล้วก็จะมีความทุกข์ตามมาหลังจากที่ความสุขนั้นจางหายไปแล้วก็จะทำให้ต้องไปหาความสุขอันใหม่ เพื่อมาดับความทุกข์ใหม่หามาเท่าไหร่ความทุกข์ก็จะตามมาสมาอเพราะความสุขที่หามานี้เป็นความสุขที่ไม่จีรังถาวร น, นั่นเองเป็นความสุขชั่วคราวท่านถึงสอนว่าทุกอย่างความสุขในโลกนี้มันเป็นอนิจจังเป็นของชั่วคราวเป็นอนัตตาไม่ได้เป็นของเราไปตลอด อยู่กับเราได้เดียวเดียวแล้วเดียวมันก็จากเราไปมันจึงทำให้เราทุกข์กันความทุกข์ตามมาเวลาที่เราสูญเสียความสุขที่เราหามากันความสุขทางตาหูจมูกิ้นกายในรูปแบบต่างๆในรูปแบบของภาพยนตร์ละครในรูปแบบของเสียงเพลงหรือในรูปแบบของบุคคลที่เรารักเราชอบ เวลาเราได้เขามาเราก็มีความสุขพอเวลาที่เราเสียเขาไปเราก็จะมีแต่ความทุกข์ตามมานี่คือเรื่องของการใช้ปัญญาเพื่อถอดถอนรากของความโลภของความอยากต่างๆถ้ามีปัญญาแล้วต่อไป เวลาเกิดความโลภเกิดความโกรธขึ้นมาก็จะไม่ทำตามความโลภความอยากพอไม่ทำตามความโลภทำตามความอยากความโลภความอยากก็จะหมดแรงไปจะไม่โผล่ขึ้นมาอีกต่อไปโผล่ขึ้นมาก็จะไม่สามารถหลอกให้ใจไปทำตามความโลภทำตามความอยากได้ความโลภความอยากก็จะไม่มีอิทธิพลต่อจิตใจที่จะมา จุดล่างให้จิตใจไปหาความทุกข์อีกต่อไปใจก็จะอยู่กับความสงบที่ได้จากการมีสติควบคุมความคิดไม่ให้คิดไปในทางความโลภความอยากใจก็จะสงบไปตลอดจะมีความสุขไปตลอดนี่คือความสุขความที่จะได้รับจากการศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า แล้วน้อมเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติเพื่อกำจัดความโลภความอยากต่างๆที่เป็นตัวทำให้เกิดความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆถ้าความโลภความอยากต่างๆถูกกำจัดไปหมดแล้วในใจก็จะไม่มีความวุ่นวายจะมีแต่ความสงบจะมีแต่ความสุขจะมีแต่ความสบายเพียงอย่างเดียวไปตลอด ไม่มีวันสิ้นสุดเพราะใจนี้เป็นสิ่งที่ไม่ตายนั่นเองสิ่งที่อยู่ในร่างกายถ้าเป็นความทุกข์มันก็จะเป็นความทุกข์ไปตลอดถ้าเป็นความสุขมันก็จะเป็นความสุขไปตลอดอย่างใจของพวกเรานี้มันเป็นใจที่มีความทุกข์ตลอดเวลาสลับกับความสุขเล็กๆน้อยๆที่เราหาได้จากสิ่งต่างๆที่เราอยากได้กัน ได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็ทุกข์ได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็ทุกข์นี่คือใจของปุถุชนเป็นใจที่มีมีความทุกข์สลับกับความถุกความสุขนี้เป็นส่วนน้อยความทุกข์นี้เป็นส่วนใหญ่ส่วนใจของพระอรหันต์ของพระพุทธเจ้านี้มีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวไม่มีความทุกข์เพราะท่านไม่มีความอยาก ไม่มีความโลภไม่มีความอยากที่จะไปหาความสุขที่จะกลายเป็นความทุกข์ไปใจของปุถุชนอย่างพวกเรานี้เป็นใจที่ยังมีความโลภมีความอยากอยู่เราจึงไปหาสิ่งต่างๆมาให้ความสุขกับเราแล้วสิ่งต่างๆเหล่านั้นพอมันหายไปมันก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมานี่คือใจของปุถุชนใจที่มีความสุขสลับกับความทุกข์ไป อย่างไม่มีวันสิ้นสุดจนกว่าจะได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้พบกับเนื้อของพระพุทธศาสนาเกิได้พบกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าหลังจากที่ได้ยินได้ฟังแล้วก็เกิดศรัทธาเกิดความเชื่อเกิดความยินดีที่จะน้อมนำเอาไปปฏิบัติพอน้อมนำเอาไปปฏิบัติแล้วถ้าปฏิบัติถูกต้อง ผลก็จะปรากฏขึ้นมาคือความทุกข์ต่างๆที่เกิดขึ้นมาในใจก็จะน้อยลงไปน้อยลงไปตามลำดับความทุกข์ที่เกิดจากความอยากต่างๆจะน้อยลงไปตามลำดับเพราะการปฏิบัตินี้ก็ปฏิบัติเพื่อกําจัดความอยากต่างๆนั่นเองเพราะความอยากนี้เป็นต้นเหตุของความทุกข์ต่างๆ เป็นต้นเหตุของการเวียนว่ายตายเกิดของการเกิดแก่เจ็บตายถ้าใช้ปัญญาที่พทธเจ้าทรงสอนคือทรงสอนให้มองให้เห็นว่าการทำตามความอยากนี้ไม่ได้นำไปสู่ความสุขที่แท้จริงนำไปความสู่ความสุขชั่วคราวแล้วก็ไปพบกับความทุกข์ที่เกิดขึ้นเวลาที่ความสุขชั่วคราวนั้นหมดไป ความทุกข์ก็จะปรากฏขึ้นมางั้นการหาความสุขต่างๆในโลกนี้จึงเท่ากับการเป็นการหาความทุกข์นั่นเองถ้าไม่อยากจะมีทุกข์ก็อย่าไปหาความสุขต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้อย่าไปหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญอย่าไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลึกภะให้มันหาความสุขจากการทำใจให้สงบ โดยการควบคุมความคิดโดยการใช้สติกากับใจควบคุมใจให้หยุดคิดถ้าสติไม่มีกำลังก็ต้องสร้างขึ้นมาด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธไปถ้ามีการบริกรรมพุทโธก็จะไม่สามารถไปคิดถึงลาบยศสรรเสริญไปคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสผลถะพระได้พอไม่คิดความอยาก ได้ความสุขจากราบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผธพะก็เกิดขึ้นมาไม่ได้พอความอยากเกิดขึ้นมาไม่ได้ความสงบก็จะเกิดขึ้นมาแทนความสุขที่เกิดจากความสงบก็จะเกิดขึ้นมาแทนนี่คือวิธีการปฏิบัติเพื่อที่จะทำให้จิตใจมีความสุขที่แท้จริงและ กำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดไปเราจึงต้องเข้าหาเนื้อของพระพุทธศาสนากันแล้วของพระพุทธศาสนาก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่เองการเข้าหาพระธรรมคาสอนก็ถือว่าได้เข้าหาทั้งพระพุทธเจ้าและพระธรรมคาสอนพร้อมๆกันเลยเพราะว่าพระธรรมคาสอนนี้ก็ออกมาจากพระพุทธเจ้านั่นเอง ถึงแม้จะไม่ได้ยินจากปากพระพุทธเจ้าโดยโตรงเพราะพระพุทธเจ้าท่านทรงจากพวกเราไปแล้วแต่คําสอนเหล่านี้ก็เป็นคําสอนที่ออกมาจากปากพระพุทธเจ้าแล้วได้จดจารึกกันไว้บันทึกกันไว้ในหนังสือกันให้พวกเราได้มาอ่านกันเวลาเราอ่านพระธรรมคําสอนเช่นอ่านพระสูตรต่างๆก็เหมือนกับเรากำลังฟังคาสอนจาก พระโอษของพระพุทธเจ้าเลยเกีนการที่เราเข้าหาพระธรรมคําสอนนี้ก็เท่ากับว่าเราได้เข้าหาพระพุทธเจ้าด้วยและหรือว่าถ้าเราฟังเทศฟังธรรมจากพระอริยสงสาวกก็เท่ากับเราได้เข้าหาพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงสาวกพร้อมๆกันเลยพระอริยสงสารก็เป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าได้เพราะเป็นผู้ รู้แจ้งเห too, então, ็นจริงเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าได้ทรงรู้แจ้งเห็นจริงเป็นผู้ที่สามารถทําหน้าที่อบรมสั่งสอนพระธรรมคาสอนให้แก่พวกเราได้แทนพระพุทธเจ้าถ้ามีพระอริยสงฆ์สาวกก็เหมือนกับมีพระพุทธเจ้าสั่งสอนพวกเราก็คําสอนที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนก็ดีหรือพระอริยสงฆ์สาวกสั่งสอนก็ดี จะสามารถทำให้พวกเราได้พบกับความสุขที่แท้จริงได้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้เช่นเดียวกันไม่แตกต่างกันเพราะเป็นผู้ที่รู้เหมือนกันมีความรู้เหมือนกันมีความรู้ในวิถีทางการนำไปสู่ความดับทุกข์วิถีทางการไปสู่ความสุขของพระนิพพานอย่างนั้นเราต้องเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กัน เราถึงจะได้พบกับเนื้อของพระพุทธศาสนาอย่าเข้าแบบไปวัดแล้วก็ไปจุดธูปเทียนสามดอกกับพระพุทธรูปแล้วก็ขออธิษฐานขออะไรต่างๆอันนี้เป็นการเข้าหาเปลือกของพระพุทธศาสนาอย่าเข้าหาเนื้อของพระพุทธศาสนานี้ต้องเข้าไปศึกษาไปฟังเทศฟังธรรม เมื่อศึกษาฟังเทศสังธรรมแล้วก็ต้องน้อมนาเอาไปปฏิบัติเมื่อน้อมนาเอาไปปฏิบัติแล้วก็จะบรรลุผลขึ้นมาบรรลุเป็นพระอาริยบุคคลขั้นต่างๆแล้วก็จะได้ทำหน้าที่ช่วยเผยแผ่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ยืนยาวออกไปเพราะผู้ที่เป็นพระอาริยบุคคลรุ่นเก่า ก็ต้องหมดอายุไปตายไปก็ต้องอาศัยพระอริยบุคคลรุ่นใหม่พวกที่มาศึกษามาปฏิบัติจากพระอริยบุคคลรุ่นเก่าพอได้บรรลุเป็นพระอริยบุคคลแล้วก็จะได้ช่วยกันถ่ายทอดพระธรรมคําสอนต่อไปเผยแผ่พระธรรมคําสอนเพื่อที่จะได้สร้างพระอริยบุคคลรุ่นใหม่ขึ้นมาเป็นรุ่นรุ่นไป ถ้ามีการศึกษามีการปฏิบัติมีการบรรลุธรรมและมีการเผยแผ่ธรรมพระพุทธศาสนาก็จะเจริญรุ่งเรืองไปเรื่อยเจริญทางเนื้อของศาสนาไม่ได้เจริญทางเปลือกของศาสนาเปลือกของศาสนานี้เจริญด้วยการสร้างโบสถ์สร้างวัดสร้างเจดีย์สร้างกุฏิ สารา้สางศาลาสรา้างถาวรและวัถตาาวถุต่างๆสร้างวัตถุมงคลต่างๆอันนั้นเป็นการสร้างเปลือกของพระพุทธศาสนาที่จะไม่ได้ให้ประโยชน์แก่จิตใจของผู้ที่บำเพ็ญเพราะว่ายังจะต้องพบกับความทุกข์ต่างๆอยู่เพราะยังไม่ได้ปฏิบัติไม่ยังไม่ได้ศึกษาวิธีปฏิบัติเพื่อกําจัดต้นเหตุ ข, ของความทุกข์ก็คือความโลภความอยากต่างๆ ให้หมดไปจากใจนั่นเองนี่คือเรื่องของพระพุทธศาสนาที่มีทั้งเนื้อและมีทั้งเปลือกขอให้พวกเราเข้าหาเนื้อกันเพราะเนื้อนี่แหละที่จะทําให้จิตใจเราได้พบกับความสุขที่ถาวรคือความสุขของพระนิพพานอย่าเข้าหาเปลือกเปลือกจะไม่สามารถให้ความสุขของพระนิพพานให้กับเราได้ และจะไม่สามารถที่จะรักษาพระพุทธศาสนาให้อยู่ไปได้อย่างยาวนานได้พระพุทธศาสนานี้จะอยู่ได้ยาวนานไม่ได้อยู่ที่การสร้างวัดวาอารามไม่ได้อยู่ที่การสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์สร้างถาวรและวัตถุเพียงอย่างเดียวต้องอยู่ที่การสร้างพระ อ, อริยบุคคลสร้างพระโสดาบันสร้างพระสกิดาคามี สร้างพระอน า, าคามีสร้างพระอาหารหันต์ถึงจะเป็นการสร้างพระพุทธศาสนาขึ้นมาเป็นการต่ออายุของพระพุทธศาสนาให้อยู่ไปยืนอย่างยาวนานเพราะพระพุทธศาสนาเนื้อของพระพุทธศาสนานี้เท่านั้นที่จะเป็นที่พึ่งของจิตใจของสัตว์โลกได้ เปลือกของศาสนานี้ไม่สามารถเป็นที่พึ่งของจิตใจของสัตว์โลกได้ไม่สามารถดับความทุกข์ใจของสัตว์โลกได้ไม่สามารถสร้างความสุขของพระนิพพานให้แก่สัตว์โลกได้ต้องเป็นเนื้อของพระพุทธศาสนาเท่านั้นก็คือต้องมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีการศึกษาพระธรรมคําสอนมีการปฏิบัติตามพระธรรมคําสอนมีการบรรลุธรรมขั้นต่างๆ อริยบุคคลขั้นต่างๆและหลังจากนั้นก็มีการเผยแผ่สั่งสอนพระธรรมต่อไปอันนี้แหละคือศาสนาที่แท้จริงอยู่ที่ตรงนี้ขอให้พวกเรามุ่งไปที่ตรงเนื้อของพระพุทธศาสนาส่วนของเปลือกก็แล้วแต่ความจําเป็นถ้าจําเป็นอย่าต้องสร้างกุฏิก็สร้างไปจําเป็นอย่าต้องสร้างโบสถ์ถ้ามี ปัจจัยมีความสามารถจะสร้างก็สร้างไปแต่อย่าไปเสียเวลาสร้างวัตถาวรวัตถุจนไม่มีเวลามาสร้างเนื้อของศาสนาก็แล้วกันขอให้เราสร้างเนื้อของศาสนาให้เกิดขึ้นในใจเราก่อนเมื่อเกิดขึ้นแล้วถ้าเรามีวาสนามีความสามารถที่จะส่งเสริมให้สร้างเปลือของศาสนาก็สร้างได้ไม่สร้างก็ได้ไม่เป็นปัญหา เพราะศาสนานี้จะเจริญหรือเสื่อมไม่ได้เจริญหรือเสื่อมที่เปลือกแต่จะเจริญรื้อเสื่อมที่เนื้อของศาสนาถ้าศาสนามีการศึกษามีการปฏิบัติมีการบรรลุมีการเผยแผ่ศาสนาก็จะเจริญไปเรื่อยๆถ้าศาสนาไม่มีการศึกษาไม่มีการปฏิบัติไม่มีการบรรลุธรรมไม่มีการเผยแผ่ธรรมศาสนาก็จะต้องล่มจมไปในที่สุด จึงขอฝากเรื่องของเนื้อของศาสนาและเปิดของศาสนาให้ท่านได้นำมาไปพินิษพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขและความเจริญของผู้ปฏิบัติเองและของพระพุทธศาสนาที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาริวะหาปุราปุริปุเรนติสาครังเอวเมวอิโตทินางเปตานังอุปกาปติอ oh ิจทิตังปฏิตังตุมหังค uh ิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปณาระโสยะถามณีโชติ สระโสยะถาสัพพิตโยวิวาจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวตอันตราโยสุขีทีขายุโกภวะอพิวาทานสีฤทสานิจางวัาปะจายโนจตารโอธมรมวาทานติอายุวันโอสุขัง ตับต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบ ป, ปัญหาธรรมใครมีคำถามอยากจะถามก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยถามได้ไปจนตลอดเวลาจนถึงเวลาที่เราเลิกกันแต่หลังจากเลิกแล้วก็ขออนุญาตอย่าถามเพราะหมดแรงครนดีตอนนี้พอมีแรง อยากจะถามก็ถามได้ถ้าอยากจะส่งข้อความเข้ามาก็ได้ถ้าไม่อยากจะเข้ามาถามเองเขียนข้อความแล้วฝากเข้ามาก็ได้ถ้ายังไม่มีเดี๋ยวจะให้ทางบ้านที่เขาส่งข้อความเข้ามาถามกันก่อนวันนี้ทาง Facebook เท่าไหร่ฮะวันนี้เฟซบ o ๊กตอนอาจารย์เทศอยู่ที่320นะครับแต่ตอยูทูอยู่ที่70คนนะครับวันนี้สัญญาณไม่ค่อยดี อันนี้จัง อ, อันนี้จังมันก็เลยทุกมันไม่ค่อยดีมันก็เลยทุกคนฟังก็เลยทุกเพราะอยากให้มันดีของทุกอย่างมันก็ดีบ้างไม่ดีบ้างก็ต้องทำใจถ้าทำใจก็จะไม่ทุกถ้ามีคำถามก็ถามมาได้เลยคำถามจากอินบอกจากคุณโตมอลข้อที่หนึ่ง จิตของเราเมื่อตายไปแล้วจะมีเปลี่ยนจากหญิงเป็นชายหรือชายเป็นหญิงไหมครับหรือว่าหญิงก็เป็นหญิงชายก็เป็นชายตลอดไปครับมันก็เปลี่ยนได้แต่ต้องเปลี่ยนไม่ใช่ตอนที่เราตายเปลี่ยนตอนที่เราอยู่เปลี่ยนนิสัยเราจากนิสัยผู้หญิงก็เปลี่ยนเป็นผู้ชายอาทำตัวเป็นผู้ชายถ้าผู้ชายอยากจะเป็นผู้หญิงก็อาจเปลี่ยนนิสัยให้เป็นผู้หญิง มันก็เหมือนกับเปลี่ยนมือซ้ายกับมือขวาถ้าเราเคยใช้มือขวาถนัดมือขวาถ้าเราอยากจะถนัดมือซ้ายเราก็ต้องหัดใช้มือซ้ายไปเรื่อยๆเลิกใช้มือขวาไปเดี๋ยวต่อไปเราก็จะถนัดทางมือซ้ายไปแต่เวลาตายไปนี่เปลี่ยนไม่ได้เวลาตายไปเป็นเวลาที่เราไปเหมือนกับไป ไปรับผลบุญผลบาปไม่ใช่เป็นเวลาที่เราจะทําอะไรได้เวลาที่เราจะทําได้ก็ตอนที่เวลาเรามาเกิดเป็นมนุษย์หรือเป็นเดรัจฉานครับเวลานั้นวิเดรัจฉานก็คงทําอะไรไม่ได้เพราะไม่รู้อะไรแต่มนุษย์นี่รู้เนี่ยมนุษย์พอมาเกิดเห็นเขาเป็นผู้หญิงชอบเป็นผู้หญิงตามเขาก็หัดแต่งตัวแต่งเนื้อแต่งตัวทําตัวทําหน้าทําตาให้เป็นผู้หญิง หรือพวกที่เห็นผู้ชายแล้วอยากจะเป็นผู้ชายเขาก็หัดทำตามผู้ชายในสมัยนี้มีผู้หญิงอยากจะทำตามผู้ชายไปเป็นดาหารบ้างไปเพาะกล้ามบ้างไปทาอะไรที่ผู้ชายเขาทากันพอหัดทําไปเรื่อยๆต่อไปนิสัยของผู้ชายมันก็จะเกิดขึ้นมาเช่นเดียวกับพวกที่ชอบผู้หญิงอยากเป็นผู้หญิงเขาก็หัดไปทําตัวเป็นผู้หญิงกัน เดี๋ยวต่อไปเขาก็กลายเป็นผู้หญิงไปข้อที่สองสติคือตัวรู้ใช่ไหมครับแล้วจิตคืออะไรครับจิตคือตัวรู้สติเป็นตัวดึงจิตให้รู้ถ้าไม่มีสติจิตมันก็จะหลงมันจะไม่รู้มันจะลอยมันจะรู้ไปกับเรื่องราวต่างๆที่มาหลอกมันมันไม่ได้ตั้งตั้งให้รู้อยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ถ้าถ้ามีสติม่จิตก็จะตั้งรู้อยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งแต่ถ้าไม่มีสติมันก็จะรู้ไปหลายๆเรื่องพร้อมๆกันเช่นขับรถไปอาจจะไปรู้เรื่องคนนู้นคนนี้ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้ก็เลยไม่ได้อยู่กับการขับรถเพียงอย่างเดียวเรียกว่ารู้หลายเรื่องรู้หลายเรื่องพร้อมๆกันมันไม่ไมดีเพราะจะทาให้ใจสับสนจะทาให้ใจ ไม่สงบไม่นิ่งไม่มีความสุขแต่ถ้ามีสติคอยควบคุมใจให้รู้อยู่เรื่องเดียวจิต ก, ก็จะนิ่งจะสงบมีความสุขแล้วก็จะรู้ว่ากำลังทำอะไรทำอะไรก็จะทำได้ดีกว่าปลอดภัยกว่าการที่ไม่มีสติคำถามจากทาง Youtube จากคุณอัลฟาอยากดิฉันอยากบวชเพราะถึงที่สุดแห่งการเกิดพ่อแม่เสียแล้วไม่มีสามี แต่มีลูกสาวอายุ14เขาจะบวชเพราะเห็นด้วยกับแนวคิดแม่พระอาจารย์มีข้อแนะนำว่าบวชกันสองคนได้เลยหรือรอให้ลูกสาวมีแนวคิดอยากบวช ด, ด้วยตัวเองก่อนคะถ้าเขาพร้อมที่จะบวช ด, ด้วยก็บวชได้เลยข้อสาคัญอย่าไปบังคับเขาเท่านั้นเองเพราะถ้าบังคับเขาก็อาจจะไม่ได้ประโยชน์เท่าที่ควรแต่ถ้าเขาสมัครใจอยากจะบวชตามแม่ก็บวชได้ไม่มีข้อห้าม คำถามจากคุณทิทีเวลาที่เราทำงานแบบที่ไม่ต้องใช้ความรู้ชั้นสูงเช่นกวาดบ้านถูบ้านล้างจานซักผ้ารดน้ำต้นไม้เราจะภาวนาหรือทำสมาธิได้ไหมครับถ้าได้จะปฏิบัติอย่างไรจึงจะถูกต้องและได้ผลครับก็เราจะทำได้ก็คือสติไม่ใช่สมาธิสมาธินี้ต้องนั่งเฉยๆไม่ทาอะไรจิตถึงจะรวมเป็นสมาธิได้ ในขณะที่เราทำอะไรนี่เราสามารถจเจริญสติได้ก็คือให้ใจเราเฝ้าดูการกระทำของร่างกายเราตลอดเวลากำลังกวาดก็อยู่กับการกวาดกำลังถูก็อยู่กับการถูไม่ใช่กวาดไปแล้วก็ไปคิดว่าเดี๋ยวจะถูตรงนั้นถูตรงนี้เวลากวาดก็ให้อยู่กับการกวาดเพียง อ, อย่างเดียวเวลาถูก็ให้อยู่กับการถูไม่ใช่พอเวลาถูแล้วก็ไปคิดว่าเอ๊ะเมื่อกี้ตรงนั้นกวาดหรือเปล่าอย่างนี้ก็ไม่มีสติ ต้องใหม้มีอยู่สติกับงานที่เรากำลังทำอยู่เพียงอย่างเดียวกำลังกวาดก็ให้อยู่กับการกวาดไปกำลังถูก็ให้อยู่กับการถูไปอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการเจริญสติถ้าเรามีสติแล้วพอเ ร, <begin> เรานั่งเฉยๆจิตก็จะเข้าไปเข้าสู่สมาธิได้อย่างง่ายดายถ้าเราไม่ฝึกสติพอเวลาเรามานั่งสมาธิใจเราก็จะลอยไปลอยมาไม่อยู่กับที่ถ้าไม่อยู่กับที่มันก็เข้าสมาธิไม่ได้ คำถามจากคุณทิทีผู้ชายที่จริตเป็นชายเลยแล้วชอบการหลงกันโดยนานานทีชายตามองหญิงบ้างอันนี้ควรจะใช้ชีวิตอย่างไรคะไม่เข้าใจลองอ่านมปสิผู้ชายที่จริตเป็นชายเลยแล้วชอบการหลงกันโดยนานานชิดนานานทีชายตามองหญิงบ้างอันนี้ควรจะใช้ชีวิตอย่างไรครับ ก็ไม่รู้หรอกเราไม่ถ้าถ้ามองหญิงก็แสดงว่ายังชอบหญิงอยู่นี่ก็คงจะตั้งไว้มีครอบครัวมั้งไม่มีแฟนมีอะไรไปถ้าอยากจะมีแฟนก็มีได้แต่ขอให้ซื่อสัตย์ต่อแฟนให้รักษาศีลข้อสามไว้ให้ได้อย่าไม่ประพฤติผิดประเวณีแต่ก็จะเป็นการผูกตัวเองให้ติดอยู่กับการเวียนไหวตายเกิด ถ้าไม่อยากจะกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายก็ต้องอย่าไปชอบใครให้ไปอยู่คนเดียวให้ไปบวชไปปฏิบัติธรรมไปกำจัดความโลภความอยากต่างๆแล้วก็จะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่เรื่อยๆคำถามจากผู้ฝากถามบนเขานะคะทำไมการที่เราเกิดมาแล้วมีความบกพร่องทางร่างกาย และทุกคนบอกว่าเป็นเพราะเรากําลังชดใช้กรรมทําไมคนเหล่านี้ถึงไม่สามารถระลึกชาติได้จะได้รู้สาเหตุของการถูกลงโทษใช้กรรมเพื่อเขาจะได้ป้องกันในชาตินี้คะก็เพราะว่าไม่มีสติพอที่จะดึงใจให้ไประลึกถึงอดีตได้นั่นเองใจนี้ถืออยู่กับอารมณ์ต่างๆในปัจจุบันอยู่กับความคิดต่างๆมันก็เลยไม่ มีกำลังที่จะไประลึกถึงอดีต ท, ที่ผ่านมาได้เช่นแม้แต่เมื่อวานนี้ทําอะไรบ้างก็ยังไม่รู้เลยอย่างญาติโยมรู้ป่ะเมื่อวานนี้กินอะไรบ้างมื้อเช้ากินอะไรมื้อกลางวันกินอะไรมื้อเย็นกินอะไรถ้าไม่มีสตินั่งคิดจริงๆบางทีก็คิดไม่ออกนะเพราะจิตมัวอยู่กับความคิดปรุงแต่งในปัจจุบันอยู่ตลอดเวลาจึงไม่มีกําลังที่จะหยุด ความคิดแล้วมานั่งคิดถึงอดีตที่ผ่านมาได้แต่สําหรับคนที่มีสติดีๆนี่เขาสามารถหยุดความคิดในปัจจุบันได้แะเขาสามารถย้อนไล่กลับไปอดีตทีละวันทีละปีทีละเดือนได้คําถามจากผู้ฝากถามขอกําลังใจเวลาใจจะขาดด้วยครับเพราะพุดโธก็ฟุ้งกลัวไปหมด เวลาป่วยหนักใจจะขาดครับจะปล่อยใจเช่นไรครับก็ต้องปวงว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราช่างมันมันเป็นเพียงตุ๊กตาตัวหนึ่งที่พ่อแม่มอบให้เรามาเท่านั้นเองเป็นของขวัญจากพ่อแม่ตุ๊กตามันก็ต้องเสียต้องพังไปเมื่อถึงเวลามันจะเสียมันจะพังก็ปล่อยมันพังไปถ้าเราพูดโธไม่ได้ก็ต้องใช้ปัญญามองร่างกายว่ามันไม่ใช่ตัวเราเราเป็นเพียงผู้ ครอบครองร่างกายเราเป็นนายร่างกายเป็นบ่าวร่างกายเป็นตุ๊ ก, กตาที่เราเอามาเล่นเอามาใช้สั่งให้มันทำอะไรต่างๆเราไม่ได้เป็นร่างกายถ้าร่างกายจะเป็นอะไรก็ปล่อยมันเป็นไปเราไม่ได้เป็นไปกับมันเป็นเหมือนตุ๊ ก, กตาเราเป็นคนเล่นตุ๊ ก, กตาถ้าตุ๊ ก, กตาเสีย Jared. ก็ปล่อยมันเสียไปโยนทิ้งไปยกให้สับปเปล่ไปส่งไปวัดส่งไปเผา แล้วเราก็ไปหาตุ๊กตาตัวใหม่ไปเกิดใหม่คำถามจากคุณบีนาถ้าเด็กเก็บเงินค่าขนมใส่กระปุกอมสินไว้วันหนึ่งเมื่อพ่อแม่บอกว่าจะไปทำบุญเด็กนำเงินในกระปุกอมสินนั้นออกมาร่วมบุญเด็กจะได้บุญเต็มที่ไหมคะถ้าเป็นเงินของเด็กเองแล้วเด็กมีความตั้งใจจะทำก็เด็กก็จะได้เต็มที่ แต่ถ้าแม่สั่งว่าเอาเก็บเงินนี้ไว้ทาบุญอย่ า, อาไปใช้อย่างอื่นอันนี้เด็กก็อาจจะไม่ได้เต็มที่เพราะว่าถูกบังคับให้ทำต้องเพียงแม่ต้องบอกว่านี่เงินของหนูหนูจะเอาไปใช้อะไรก็ได้ถ้าหนูไม่ใช้หนูก็เก็บใส่กระปลกไว้ก่อนแล้วพอถึงเวลาหนูอยากจะใช้อะไรก็ใช้ได้หนูอยากจะทำบุญก็ทำได้หนูอยากจะไปซื้อขนมก็ซื้อได้แล้วแต่หนู อย่างนี้ถึงจะเป็นเงินของเขาเองและเป็นเจตนาของเขาเองถ้าแม่ไปทำบุญเขาอยากจะฝากเงินไปทำบุญด้วยแรือเอาเงินนี้ไปกับแม่เพื่อไปทำบุญเขาก็จะได้ได้บุญเต็มที่คำถามจากคุณเกียรติศักดิ์พยายามพุทธโธ ท, ทุกครั้งที่นึกได้แต่ก็หลงไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ยาวในแต่ละวันเวลาที่เรานึกขึ้นได้แล้วกลับมาพุทธโธ ตอนนั้นเรามีสติใช่ไหมครับจะพยายามทำให้ได้มากที่สุดทุกครั้งที่เราพูโทโธก็แสดงว่าเรามีสติพอเราเผลอพุโทโธไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็แสดงว่าเราขาดสติซึ่งใหม่ๆก็จะเป็นอย่างนี้เพราะส่วนใหญ่ตลอดชีวิตเรามานี่มีแต่เผลอสติตลอดเวลาไม่เคยตั้งสติกันได้นานเลยอาจจะตั้งสติได้แค่วิบนิดเดียว ตอนนี้เราได้เรียนรู้ถึงประโยชน์ของการตั้งสติแล้วถ้าเรามีความตั้งใจและมีความพยายามต่อไปเราก็จะพุโทโธได้ยาวขึ้นไปเรื่อยๆแล้วการเผลอสติก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆต่อไปนี้เราจะสามารถหยุดความคิดตามถ้าเราต้องการหยุดเมื่อไหร่เราก็หยุดได้ถ้าเราต้องการสั่งให้มันคิดไปในทางไหนเราก็สั่งให้มันไปคิดไปได้เพราะเรามีสติ คำถามจากคุณพิมพ์หงทองข้อที่หนึ่งการกรวดน้ำกับการแผ่เมตตาต่างกันอย่างไรและ ว, วิธีใดที่จะทำให้บุญกุศลที่เราได้ทำไว้จะส่งไปถึงยังเจ้ากรรมนายเวรหรือเทวดาญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วตลอดจนสรรพสัตว์ทั้งหลายได้เจ้าคะคือการกรวดน้ำนี่ก็เป็นการอุทิศบุญ การจะอุทิศบุญน e ี้เราก็ต้องมีบุญก่อนเราต้องทําบุญก่อนบุญนี้ไปเหมือนเงินเราก่อนที่เราจะเอาเงินไปให้ขอทานเราก็ต้องมีเงินก่อนถ้าเราไม่มีเงินเราก็ให้ขอทานไม่ได้เราก็ต้องไปทํางานไปหาเงินมาพอเราได้เงินแล้วเราเห็นขอทานสงสารเขาเราก็เอาเงินนี้ใส่ให้ใส่กระป๋องให้เขาไปเจอขอทานที่ไหนก็ใส่ให้เขาะ นี่คือเรื่องการอุทิศบุญถ้าเราอยากจะส่งบุญให้กับผู้ที่ร่วงลับไปแล้วเพราะผู้ที่ร่วงลับไปแล้วที่รอรับบุญนี้เป็นเหมือนพวกขอทานเขาไม่มีบุญติดตัวไปเวลาที่เขามีชีวิตอยู่เขาไม่ได้ทำบุญเขาหมัวแต่ไปใช้เงินซื้อความสุขต่างๆไปเที่ยวไปกินไปดื่มไปเล่นไปซื้อข้าวซื้อของอะไรต่างๆเขาเลยไม่ได้ทาบุญพอตายไปเลยไม่มีบุญติดตัวไป เขาก็เลยต้องมาขอบุญเขาเป็นพวกขอทานขอบุญพวกเราถ้าอยากจะให้เขาได้บุญเราก็ต้องทําบุญเช่นถวายสังฆทานหรือไปวัดหยอดเงินใส่ใส่ตู้บริจาคหรือทําอะไรเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้อื่นเช่นให้เงินขอทานก็ได้เงินขอทานนี้ก็จะเป็นบุญที่เราสามารถส่งไปให้กับผู้ที่รองรับไปแล้วได้เหมือนกัน อันนี้เรียกว่าอุทิศบุญด้วยกวดน้ำต้องมีบุญก่อนต้องทำบุญก่อนถึงจะกวดถึงจะอุทิศบุญได้ไม่ใช่อยู่ดีๆเฉยๆอยากจะอุทิศขึ้นมาก็อุทิศอุทิศไม่ได้เพราะไม่ได้มีบุญไม่ได้ทำไว้ส่วนการแผ่เมตตานี้ไม่ได้เป็นการแผ่บุญไม่ได้เป็นการอุทิศบุญแต่เป็นการให้ความสุขให้ความปรารถนาดีต่อผู้อื่นให้ไมตรีจิต แทนที่จะโกรธเกลียดกันแทนที่จะแยกเคี้ยวสากันเวลาเจอหน้ากันก็ยิ้มให้กัน อ, อันนี้เป็นการแสดงความมีไมตรีจิตต่อกันแสดงว่าเราไม่ได้มีความคิดร้ายกับเขาเรามีแต่ความคิดดีปรารถนาดีกับเขาอยากให้เขามีความสุขอยากให้เขาไม่มีความทุกข์เรียกว่าแผ่เมตตาเวลาเขาโกรธเราเวลาเขาทาให้เราโกรธเราก็อย่าไปโกรธตอบ อย่าไปอาฆาตพยาบาทเราให้อภัยไม่เป็นไรเขาชนท้ายรถเหล่านี้ไม่เป็นไ ร, น ร, นไนไรคุณมีประกันเรามีประกันต่างคนต่างไปไม่ต้องมาเถียงกันให้เหนื่อยเอาแพ้เอาชนะกันอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการแผ่เมตตามีขนมน ม, นมเนยมีข้าวของก็แจกกันวันเกิดก็ซื้อของขวัญให้เขาวันปีใหม่ก็ส่งของขวัญส่งสคส อ, อ น, นี้คือวิธีแผ่เมตตา คือให้ความสุขแก่ผู้อื่นทำอะไรที่ทำแล้วทำให้เกิดความสุขแก่ผู้รับจากการกระทําของเราเรียกว่าเป็นการแผ่เมตตาข้อที่สองการเดินทางไปนมัสการสี่สังเวชนียสถานที่อินเดียมีอนิสงส์มากน้อยเพียงใดและมีความจำเป็นที่ชาวพุทธควรจะต้องไปสักครั้งหนึ่งในชีวิตหรือไม่เจ้าคะ ถ้ายัางมีความสงสัยว่าพระพุทธเจ้ามีจริงหรือไม่หรือเป็นนิยายที่เขาเขียนสร้างกันขึ้นมาก็การไปเยี่ยมสถานที่ต่างๆที่พระพุทธเจ้าเคยประทับอยู่ก็จะทำให้มีความศรัท ธ, ธามีความเชื่อมั่นคงจะได้ไม่สงสัยว่าพระพุทธเจ้านี้เป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงเป็นคนจริงหรือไม่ใช่เป็นคนจริงเป็นนิยายปุงแต่งหรือเปล่า แต่ถ้าเราเชื่อว่ามีพระพุทธเจ้ามีจริงเราไม่ต้องไปก็ได้ไปก็เท่านั้นไปก็เหมือนเหมือนกับไม่ได้ไปเพราะเราเชื่อแล้วว่าพระพุทธเจ้ามีจริงทําไมเราเชื่อเพราะเราสามารถศึกษาจากพระธรรมคําสอนได้ถ้าเราศึกษาประวัติของพระพุทธเจ้าศึกษาพระธรรมคําสอนจากพระไตรปิฎก จ, จากคําสอนของพระพุทธเจ้าโดยตรงเราก็ทําให้เราเชื่อได้ แต่บางคนนี้เขาไม่มีการศึกษาเขาไม่สามารถอ่านได้เขาก็เลยไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาได้ยินนี้จริงหรือไม่จริงเอเขาก็เลยอาจจะต้องไปดูตามสถานที่ต่างๆถึงจะทําให้เขาเชื่อได้ก็ขึ้นอยู่กับผู้ที่มีความเชื่อหรือไม่มีความเชื่อผู้ที่ยังมีความสงสัยหรือยังไม่มีความไม่มีความสงสัยถ้ามีความสงสัยไปก็อาจจะทําให้หายสงสัยได้ ถ้าไม่สงสัยแล้วไปก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรมากไปกว่า น, นั้นเพราะไม่สงสัยแล้วเพราะเชื่อแล้วว่าพระพุทธเจ้ามีจริงแต่ก็ยังเป็นการเชื่อแบบที่ยังไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่เต็มร้อยคือเป็นเชื่อในลักษณะแบบสบ ป, ปากว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็นเป็นเหมือนกับสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังมาจากคนอื่นนี่กับการที่เราไปเห็นกับตาเราเองนี่มันต่างกัน เช่นสถานที่ที่เราไม่เคยมาเช่นที่นี่ถ้าคนเขากลับไปเล่าให้เราฟังที่บ้านว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราก็ยังต้องใช้การจินตนาการไปก่อนว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่พอเรามาถึงที่ตรงนี้แล้วเราก็จะอาจจะเห็นว่าสิ่งที่เราจินตนาการกับสถานที่นั้นอาจจะไม่ตรงกันเลยก็ได้ทันใดถ้าเราอยากจะเห็นแบบ สิบปากว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็นเราก็ต้องปฏิบัติธรรมเท่านั้นถ้าเราปฏิบัติธรรมแล้วเราสามารถเข้าสู่ธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ปรากฏขึ้นมาภายในใจของเราได้มีดวงตาเห็นธรรมเห็นอริยรรสัจสี่เห็นตายรักในใจของเราเนี่ยเราก็จะเห็นพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อย่างเต็มที่เลยแล้วจะไม่สงสัยว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่แท้จริงนั้นอยู่ตรงไหน จะรู้ว่าอยู่ในใจของเรานี่เองตอนนี้เรามองไม่เห็นเพราะเราถูกความหลงโมหะอวิชชาความไม่รู้ปิดบังตาเราไว้อยู่เราจึงทำให้เราไม่เห็นพระพุทพธพระธรรมพระสงฆ์ที่มีอยู่ในใจของสัตว์โลกทุกๆใจทุกๆดวงพวกเรานี่มีพระพุทพธพระธรรมพระสงฆ์รออยู่เราในใจเราอยู่แล้วเพียงแต่เราถูกความหลงมัน ครอบงำเอาไว้ปิดเอาไว้ยิ่งทําให้เรามองไม่เห็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่แท้จริงคําถามจากคุณจีนจะทําอย่างไรไม่ให้เกิดความโลภะโทสะและโมหะเจ้าคะก็ขั้นตอนก็ต้องใช้สติฝึกสติพยายามควบคุมความคิดให้ได้ถ้าควบคุมความคิดได้เวลาเกิดความโลภ ก, ก็ใช้สติหยุดมันได้ พออยากจะซื้อขนมก็พูดโธพุดโธพุดโธไปพอพูดโธไปสักระยะหนึ่งมันก็ลืมเรื่องขนมไปแต่มันก็จะหยุดได้ชั่วคราวพอไปคิดถึงขนมใหม่ก็อยากขึ้นมาใหม่ถ้าอยากจะหยุดไม่กินขนมเลยก็ต้องใช้ปัญญาต้องพิจารณาคิดถึงขนมตอนที่มันอยู่ในปากเราว่ามันน่ากินไหมเวลาที่เคียวแล้วผสมกับน้ําลายเวลาคลายมันออกมา ดูแล้วอยากจะกินเข้าใหม่ใหม่หรือเปล่าหรือตอนที่มันอยู่ในท้องแล้วอาเจียนออกมาหรือตอนที่มันอยู่ในลําไส้แล้วมันถ่ายออกมาให้นึกถึงภาพของขนมเหล่านี้แล้วมันก็จะทําทให้เราไม่อยากกินคําถามจากคุณกันนิกาโยมน้อมนําคําแนะนําท่านที่ท่านโยมน้อมนําคําแนะนําท่านไปปฏิบัติในการภาวนาเมื่อคืน กำหนดจิตให้นิ่งพร้อมทั้งภาวนาพุทโธยามที่จิตเริ่มออกนอกทางจนรู้สึกได้ว่าลมหายใจเริ่มหายไปมีความอิ่มเอิบปิติสุขมากๆเจ้าค่ะแต่ไม่รู้ว่าทำอย่างไรต่อเจ้าคะก็ให้มีสติประคับประคองจิตให้อยู่ในสภาพนั้นไปอย่าปล่อยให้คิดปรุงแต่งพอจิตจะคิดลุกก็อย่าเพิ่งลุกก็หยุดความคิดนั้น ใช้พุโทโธหยุดก็ได้ถ้ามันไม่ยอมหยุดหรือถ้ามีลมก็ดูลมต่อถ้าเห็นลมถ้าไม่เห็นลมก็ให้รู้เฉยๆให้รู้อยู่กับความว่างไปอย่าเพิ่งทำอะไรพยายามนั่งอยู่ในสภาพนั้นให้นานที่สุดเพราะมันเป็นสภาพที่เป็นความสุขนั่นเองประคัมพยายามประคับประคองไว้ด้วยสติให้รู้เฉยๆให้สักแต่ว่ารู้ว้ามาในมาส ก, การค่ะหลวงพ่อ เออคือเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยหนูจับได้ว่ามีคนยักยอกเงินหนูแล้วก็แฟนหนูก็รู้แต่เงินนั้นน่ะไม่ได้มากมายหนูก็บอกว่าหนูไม่โกรธแล้วแฟนบอกว่านี่การส่งเสริมให้คนทําชั่วเอะเธอต้องสั่งสอนเราบอกเงินเล็กเล็ ก, ล ก, ลกน้อยน้อยคิดว่าทาบุญไปเถอะหนูคิดอย่างนี้ถูกไหมเจ้าคะ่ะถูกเพราะว่าก็เป็นความเมตตาก็ถือว่าเป็นทําบุญทําทานไปเขาอาจจะตกทุกข์ได้ยากลําบาก เขาไม่มีวิธีที่จะหาเงินแล้วเขาก็ยังอยู่ภายใต้อำนาจของความโลภความหลงอยู่ยังไม่รู้ว่าผิดถูกดีชั่วก็เขาก็เลยต้องมารักทรัพย์ไปแต่ถ้าเรามีโอกาสสอนเขาได้ก็สอนเขาบอกเขาว่าเราไม่ถือสาหรอกเงินที่ขโมยไปแต่ทำแล้วมันบาปนะต่อไปจะต้องไปรับผลบาปถ้าไม่ทำจะดีกว่า ถ้าอยากได้เงินก็ไปหางานทำดีกว่าถ้ายังไม่มีเงินก็อย่าเพิ่งอยากไปใช้มันพยายามระ ง, งับความอยากด้วยพุโทโธพุโทโธไปเราจะได้ไม่ต้องไปทําบาปเราจะได้ไม่ต้องไปรับผลบาปผลบาปก็คือจะต้องไปเกิดเป็นหมาเป็นแมวถ้าไปลักทรัพย์เนี่ย แล้วแฟนหนูเขาก็จะเอาเรื่องได้ได้เพราะว่าหนูก็ว่าเงินมันไม่ได้มากมายอะไรแต่หนูก็เลยบอกว่าเงินของหนูก็เลยบอกกลายเป็นว่าหนูบอกแฟนว่าคนที่เดือดร้อนน่าจะเป็นชั้นน่าจะเป็นชั้นเธอไม่ต้องเดือดร้อนหรอกเพราะเราทําบุญคุณไม่ได้ทำํำ เ, เขาก็เล ย, ยเฉยเฉยเขาควรญะโนโมทนา เนี่ยประโยชน์ของการอนุโมทนาบุญก็อย่างนี้ถ้าเขาเห็นว่าเราเป็นการทำบุญแล้วเขาอนุโมทนาเขาก็จะได้ไม่วุ่นวายใจไปเขาก็จะได้สงบเขาก็จะได้มีความสุขกับการทำบุญของเรานี่นี่คือคนถามว่าอนุโมทนาบุญอ น, อนุอนุโมทนาอย่างไรก็อย่างนี้แหละเวลาที่แฟนทำแต่เราแต่ตัวเราไม่ยอมทำด้วยเขาอยากจะเอาคืนเพราะเป็นเงินที่เขาขโมย ใจเลยร้อนใจเลยโกรธขึ้นมาแต่ถ้าอนุโมทนาบุญความร้อนก็หายไปความโกรธก็หายไปความเย็นความสุขก็เข้ามาแทนนี่คือประโยชน์จากการอนุโมทนาบุญคำถามจากคุณสารยานีคำว่าอาทิสมานกายคืออะไรคะอันนี้ก็ต้องไปถามกูเ g ิลแล้วถามผิดที่คำถามจากคุณสมใจ อยากมีความสุขทางใจต้องฝึกจิตแบบไหนคะก็ฝึกจิตให้สงบไงให้ระงรับความคิดตุงแต่งระงรับได้เท่าไหร่ความสุขก็จะโผล่ขึ้นมามากขึ้นเท่านั้นถ้าหยุดความคิดได้ร้อเปอร์เซนความสุขก็จะโผล่ขึ้นมาร้อเอร์ซนต์คำถามจากคุณลาจันดาพ่อหนูอ่านหนังสือไม่ออกค่ะสวดมนต์ไม่เป็นได้แต่ชอบให้ทานก่อนนอนหนูจะสวดมนต์บทพระพุทธคุณ พระธรรมคูณพระสังฆคูณจบท่านกล่าวสาธุแบบนี้พ่อหนูจะได้บุญไหมคะถ้าพอตั้งใจฟังแล้วไม่ไปคิดเรื่องนี้นเรื่องนี้พ่อก็จะได้บุญได้ได้ความสงบจากการฟังธรรมจากการสวดมนต์การฟังเสียงสวดมนต์ก็เป็นการฟังธรรมอย่างหนึ่งถ้าไม่เข้าใจความหมายก็จะได้สมาธิคือความสงบถ้าได้เข้าใจความหมายด้วยก็จะได้ปัญญาความรู้ความฉลาดสัมมาทิฏฐิ คำถามจากคุณฉัดพักกรหนูวิ่งตามโปรโมชั่นของห้างสรรพสินค้าแต่ซื้อของไม่เกินกําลังทรัพย์ค่ะบางครั้งสิ่งที่ซื้อก็มีประโยชน์จริงๆบ้างบางครั้งก็ไม่ได้ใช้แต่เห็นว่าลดเยอะมากจึงซื้อตามความอยากเรียกว่าโลภไหมคะโลภน่ะแต่ทำไมโลภก็ไม่ซื้อคำถามจากคุณทิพย์พิลายา หากมีคนมาโกหกเราหลอกลวงเราเราหลงไปเชื่อเขามาหาักหลังเราทำให้เราเสียใจเราพยายามให้อภัยเขาไม่โกรธเขาแต่เราก็ยังรู้สึกไม่สบายใจมันเป็นเพราะอะไรเจ้าคะเพราะเรายังไม่ยอมเสียถ้าเราคิดว่าเป็นการทำบุญเราก็จะสงบพอเรายังอยากจะได้คืนเนื่อคำถามจากคุณเนโก้ข้อที่หนึ่ง การสวดมนต์คือการทำให้จ <f US H> ิตใจเราสงบสุขหรือมีอานิสงส์อันใดจากการสวดมนต์ไหมคะก็เป็นการฝึกทําสมาธิเบื้องต้นทําให้จิตเราไม่ฟุ้งซ่านไม่ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆที่ทําให้เราวุ่นวายใจใจเราก็จะสงบมีความสุขในระดับหนึ่งแต่ยังไม่สงบเต็มร้อยถ้าอยากจะสงบเต็มที่หลังจากสวดไปได้สักระยะหนึ่งแล้วรู้สึกเบา สบายอยากจะหยุดสวดแล้วก็ลองดูลมหายใจต่อแทนที่จะสวดก็นั่งดูลมหายใจต่อไปดูลมเข้าดูลมออกโดยที่ไม่ไปคิดอะไรจิตก็จะดิ่งเข้าสู่ความสงบได้เต็มที่ต่อไปข้อที่สองการทำกรรมฐานต้องปฏิบัติกับผู้ปฏิบัติใช่ไหมเจ้าค้าถึงจะทำถูกวิธีกรรมฐานก็คือเนี่ยการนั่งสมาธิก็เป็นกรรมฐานอยู่แล้วการสวดมนต์นี่ก็เป็นการ คำว่ากรรมฐานนี้คืออารมณ์ที่เราใช้กํากับใจเพื่อให้ใจสงบนะการนั่งกรรมฐานก็คือการนั่งสมาธินั่งวิปัสสนานี่เองนั่งวิปัสสนาก็จะเกิดปัญญาถ้านั่งสวดมนต์แล้วนั่งดูลมหายใจเข้าออกก็จะเกิดสมาธิเกิดความสงบคําถามจากคุณบีมีเพื่อนหลายคนบอกว่าเวลาที่สวดมนต์แล้วรู้สึก มีพลังงานลบกวนตลอดเวลาและจะนอนไม่ค่อยหลับทําให้เขารู้สึกกลัวและไม่กล้าสวดม น, นั่งสมาธิก็ไม่ได้เพราะเขาไม่เคยฝึกมาหนูควรแนะนำเขาอย่างไรดีคะก็มันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะเพราะการสวดนี้มันน่าจะทำให้ใจสงบมากกว่า การสร้างอะไรมาลบกวนใจถ้ามีอะไรมาลบกวนใจก็อย่าเพิ่งอย่าไปสนใจพยายามสวดไปเรื่อยๆการสวดนี่แหละจะทําให้สิ่งที่มาลบกวนใจต่างๆนี่มันหมดไปอาจจะสวดไม่มากเหมือนกินยาแค่เม็ดเดียวครั้งเดียวมันไม่หายหรอกต้องกินหลายๆเม็ดกินหลายๆวันแล้วเดียวมันก็จะหายตอนตอน้ตนก็เราเพิ่งสวดมันอาจจะยังไม่มีผลมาก ก็พยายามสวดไปเรื่อยๆสวดไปบ่อยๆสวดไปมากๆเวลาสวดก็ต้องสวดจริงๆไม่ใช่สวดแต่ปากใจก็ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าสวดแบบนั้นก็ไม่ได้ผลอยู่ดีเวลาสวดใจก็ต้องสวดด้วยปากก็ต้องสวดไปพร้อมๆกันมันถึงจะได้ผลคือความสงบคําถามสุดท้ายจากคุณพาคินการที่เราใช้สติหยุดความคิดที่ไม่ดีบ่อยๆ วันหนึ่งความคิดที่ไม่ดีก็หมดไปใช่ไหมครับหรือว่าความคิดที่ไม่ดียังมีอยู่แต่เราจะเฉยๆกับมันครับอ๋อมันไม่หมดด้วยสติหรอกความคิดไม่ดีมันจะหมดต้องหมดด้วยปัญญาคือต้องรู้ว่านี่เป็นความคิดไม่ดีไม่ควรคิดแล้วต่อไปมันก็จะไม่คิดแต่ถ้าเราไม่รู้ว่ามันความคิดไม่ดีไม่ควรคิดเราเพียงแต่พอมันโผล่ขึ้นมาเราก็หยุดมัน เดี๋ยวพอเราไม่ไม่มีสติมันก็โผล่ขึ้นมาใหม่ได้ยังต้องใช้ปัญญาสอนใจให้รู้ว่าเป็นความคิดไม่ดีไม่ดีเพราะอะไรก็ระจะนำความทุกข์มาให้กับเราส่วนใหญ่เรามักจะคิดว่ามันดีคิดว่าไปหาเงินแล้วจะดีแต่เราลืมไปว่าเวลาเงินหมดแล้วมันจะไม่ดีถ้าเราไม่หาเงินไม่ไม่ใช้เงินจะดีกว่าอยู่แบบไม่ต้องใช้เงินได้ดีกว่าอยู่แบบต้องใช้เงิน ถ้าอยู่แบบไม่ต้องใช้เงินได้เงินหมดแล้วไม่เงินมีแล้วไม่มีก็ไม่เดือดร้อนแต่ถ้าอยู่แบบต้องใช้เงินนี่ถ้าเวลามึงมีเงินก็ดีแต่เวลาเงินหมดก็จะไม่ดีหมดเวลนะาโอเคมีคากายใกระถางไว้ในนี้ถ้าไม่มีก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา mm hmm. ก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิษฐพิจารณาไปปฏิบัติ